วิธีทำใจเมื่อสามีต้องติดต่อกับพรนยาเก่าถามอยู่กับแฟนมาเกือบสองปีแล้วเราะแหวงเขายังไม่เลิกกับแฟนเก่าซึ่งมีลูกด้วยกันอย่างเด็ดขาดเพราะยังติดต่อกันอยู่และอ้างว่าที่ติดต่อกันเพราะเรื่องลูกไม่มีอะไรมากกว่านั้นลึกๆรู้สึกไม่สบายใจเลย เหมือนไปแย่งของของใครมาอย่างนี้จะทำใจอย่างไรดีตอบปัญหาทํานองนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆต้นต่อก็เพราะคนเรายากจะอยู่ด้วยกันตลอดรอดฟังต่อไปนี้ไม่ใช่คำแนะนำแต่เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ซึ่งคุณก็อาจกำลังคิดคิดจะเลือกอยู่เช่น 1. จ้างนักสืบติดตามพฤติกรรมสามีให้รู้แล้วรู้รอดพอรู้แล้วก็จะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเอาอย่างไรต่อไปดีเท่าที่ทราบการจ้างนักสืบตามเรื่องชู้สาวจะเสียเงินเป็นหมื่นหรืออย่างน้อยก็หลายพันและถ้าฝ่ายชายโดนจับได้หรือรู้ภายหลังว่าพัรยาจ้างคนสืบก็มักลงเอยด้วยการไม่ไว้วางใจ มองหน้ากันไม่ติดแล้วตามมาด้วยการหย่าร้างแม้เขาจะประพฤตินตนในกรอบศีลธรรมอันดีไม่เคยมีเรื่องมัวมองอย่างที่ฝ่ายหญิงระแวงเลยก็ตาม 2. จ้างหมอทำสเสน่ห์เล่นคุณใส่กันดือด้อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเอาชนิดแน่ใจได้ว่าหลงคุณแบบงโงหัวไม่ขึ้น ไม่มีทางกลับไปหาคนเก่าหรือคิดหาคนใหม่อีกคงเคยได้ยินว่าศยศาสตร์มีจริงแล้วก็ทำกันได้ผลมาเยอะแต่ต้องหาหมอศยศาสตร์เก่งๆหน่อยนะครับที่เห็นว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งก็คิดสองหมืน่นและที่เห็นว่าเป็นข่าวประจำคือผู้หญิงต้องเข้าพิธีเสียเนื้อเสียตัวจะพลัดจะพลูอาจโดนถ่ายรูปไว้แบ็เม ยิ่งไปกว่านั้นพิธีอา จ, จไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงคุณไปรับกระแสบาปและความชั่วร้ายที่มืดมนมาเป็นเงาตามตัวเข้าให้อีกนอกจากไม่ได้ใจสามีเขาเห็นคุณยังรู้สึกครึ่งหลงครึ่งเกลียดเข้าใกล้แล้วตะขันตะครอได้ด้วยคนผ่านพิธีสายดำจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนบางช่วงดูเสน่ห์แรงบางช่วงหน้าคล้าหมอง มีความน่ารังเกียจหรือกระทั่งน่าขนลุกเพราะเงาเมืดของพิธีไสยศาสตร์เป็นไปในทางเดียวกับเงาปีศาจที่สำคัญการลงทุนด้วยคุณใสจะมีราคาแพงสูงสุดก็ตอนพลังด้านมืดมันย้อนมาครอบงำคุณให้หลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวไปหมดที่เหลือทั้งชีวิตของคุณอาจพลิกไปสู่สภาพวิกรจริ ชนิดไม่มีใครพยากรถูก 3. บีบบังคับให้สามีหรืออดีตพันยาของเขาสารภาพพอสารภาพเสร็จคุณจะได้โล่งอกว่าที่กำลังเม้มปากเดาอยู่นั้นแม่นแล้วและถัดจากความโล่งที่รู้สถีว่าเดาถูก คุณก็จะได้เจ็บ อ, อกชนิดกลัดหนองเป็นปีๆสะใจไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีอะไรจะสารภาพทุกอย่างก็คาราคาสังคงยากที่คุณจะเป็นสุขด้วยการได้ยินเพียงคําว่าไม่มีอะไรซ้ำๆซากๆสำหรับข้อนี้คุณอาจต้องเสียค่ารถหรือค่าโทรศัพท์ซึ่งว่าไปก็ถูกดีแต่อาจต้องเสียแก้วเสียง เสียเวลาทำมาหากินขาดไรายได้เราต้องเวียนเค้นเวียนถามไม่รู้จบอีกหลายหลายปีกว่าลูกเขาจะโตจนหมดข้ออ้าง 4. คิดคิดและคิดแต่ปิดปากเงียบยอมอัดอั้นอยู่คนเดียวเป็นทุกข์เหมือนไฟสุมสวงคนเดียว ยอมแบกรับความกดดันทุกประการไว้คนเดียวเพื่อให้เกิดสันติสุขระหว่างคุณกับสามีสำหรับราคาของข้อนี้ไม่แน่ไม่นอนอาจเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาจเป็นยารักษาสิวฟ้าหรืออาจเป็นค่าจิตแพทย์ตอนเป็นโรคเครียดถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลหรืออื่นๆสุดแล้วแต่จะอัดอั้นตันใจจุกอ ก, อกขนาดไหน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 แม้ไม่จำเป็นต้องดิ้นมันก็หาเรื่องดิ้นได้เรื่อยๆหมดจากเรื่องโน้นมาเรื่องนี้หมดจากเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปเรื่องโน้อนอีกพอดูจนเห็นอาการดิ้นของใจชัดเจนบ่อยเข้าคุณจะรู้สึกขึ้นมาขณะหนึ่งว่าเอ๊ะไม่เห็นต้องดิ้นก็ได้นี่นานั่นแหละครับที่ตรงนั้นใจจะเริ่มสงบลงมาเอง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 ไม่ต้องระแวงกันราคาที่ต้องจ่ายสำหรับข้อนี้ก็เพียงยอมรับข้อความที่ผมเขียนไว้ข้างต้นเท่านั้นถ้าเชื่อกันก็ขอให้เตรียมตัวพบกับชีวิตใหม่ได้เลยคุณจะพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งคือการเปลี่ยนจากการเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนมองโลกในแง่ดี ประกายเสน่ห์จากเมตตาจิตจะฉายจ้าขึ้นมาโดยไม่ต้องเสี่ยงทำพิธีกับหมอศัยศาสตร์จอมลามกที่ไหนอา น, นิสงส์ที่ได้รับอย่างน้อยที่สุดคือจิตจะใสใจจะเบาซึ่งสามีจะอยากเข้าใกล้คุณมากขึ้นกว่าตอนอยู่ในอารมณ์หงุดหงิดขี้ระแวงอย่างแน่นอนเมื่อใดใดในโลกไม่ใช่ของคุณอย่างแท้จริง